เกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีกรรมชั่วดังได้กล่าวแล้วว่ากรรมนิยามมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดที่สุดกับจิตนิยามและสมมุตินิยามและความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันนี้อาจเป็นเหตุให้เกิดความเข้าใจสับสนได้ง่ายดังนั้นการที่จะเข้าใจเรื่องกรรมและความดีความชั่วให้ชัดเจนจะต้องแยกขอบเขตระหว่างนิยามเหล่านี้ให้ได้ก่อน กรรมนิยามอาศัยจิตนิยามเหมือนซ้อนอยู่บนจิตนิยามนั่นเองแต่จุดตัดแยกระหว่างกรรมนิยามกับจิตนิยามก็ชัดเจนกล่าวคือเจตนาเป็นเนื้อหาสาระและเป็นตัวทาการของกรรมนิยามทำให้กรรมนิยามเป็นอิสระออกมาเป็นนิยามหนึ่งต่างหากหรือทำให้มนุษย์เป็นอิสระมีบทบาทเป็นของตนเองต่างหากจากนิยามอื่น สามารถสร้างโลกแห่งเจตจำนงของตอนเองขึ้นมาได้จนถึงกับยกตนขึ้นเทียมเท่าหรือแข่งขันกับธรรมชาติและแบ่งแยกว่าตนมีโลกแห่งการประดิษฐ์สร้างสรร์ต่างหากจากโลกของธรรมชาติเจตนาอาศัยกลไกของจิตนิยามเป็นเครื่องมือในการทํางานและเมื่อเจตนาทากรรมอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นแล้วกระบวนการก่อผลก็ต้องอาศัยจิตนิยามนั่นแหละ ดำเนินไปเปรียบได้กับคนขับเรือยนต์คนขับเหมือนเจตนาที่อยู่ฝ่ายกรรมนิยามเครื่องเรือทั้งหมดเหมือ น, นกลไกและองค์ประกอบต่างๆของจิตที่อยู่ฝ่ายจิตนิยามคนขับต้องอาศัยเครื่องเรือแต่เครื่องเรือจะพาเรือคือชีวิตที่พร้อมด้วยร่างกายไปสู่ที่ไหนอย่างไร คนขับเป็นอิสระที่จะทำและเป็นผู้รับผิดชอบทำให้เป็นไปคนขับทั้งอาศัยและทั้งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากเรือแล้วรับผิดชอบต่อความเป็นไปของเรือที่พร้อมทั้งเครื่องเรือและตัวเรือด้วยเหมือนกรรมนิยามทั้งอาศัยและทั้งเป็นผู้ใช้ประโยชน์จากจิตนิยามแล้วรับผิดชอบต่อความเป็นไปของชีวิตที่พร้อมทั้งจิตและกายด้วย ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกรรมนิยามกับจิตนิยามนี้ไม่ซูมีปัญหาเพราะไมซูมีเรื่องที่มนุษย์เอาใจใส่และไม่ว่ามนุษย์จะใส่ใจรู้เรื่องของมันหรือแม้แต่รู้ตัวหรือไม่ก็ตามมันก็เป็นไปตามปกติของมันเรื่อยไปอย่างมองไม่เห็นตัวด้านที่เป็นปัญหาสับสนอย่างมากก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกรรมนิยามกับสมมตินิยาม ซึ่งมักมีปัญหาเกี่ยวกับความดีและความชั่วว่าอะไรดีอะไรชั่วที่ว่าทำดีทำชั่วเป็นความจริงที่แท้หรือไม่อะไรเป็นเกณฑ์แบ่งว่าอะไรดีอะไรชั่วในเรื่องนี้มีคนไม่น้อยพูดกันบ่อยๆว่าความดีและความชั่วเป็นเรื่องของคนหรือสังคมบัญญัติกันขึ้นการกระทําอย่างเดียวกัน สังคมทิณหนึ่งหรือสมัยหนึ่งว่าดีอีกทินหนึ่งหรืออีกสมัยหนึ่งว่าไม่ดีการกระทําอย่างเดียวกันสังคมหนึ่งบัญญัติให้สมาชิกต้องกระทําแต่อีกสังคมหนึ่งบัญญัติให้สมาชิกต้องละเว้นเช่นสังคมคนป่าบางพวกบัญญัติว่าฆ่าคนพวกอื่นเป็นความดีแต่สังคมที่เจริญแล้วบัญญัติว่าฆ่ามนุษย์เป็นความชั่วทั้งนั้น บางศาสนาว่าฆ่าสัตว์ที่เป็นอาหารไม่บาปบางศาสนาสอนว่าการเบียดเบียนสัตว์ไม่ว่าชนิดใดไม่ดีทั้งนั้นสังคมบางถิน่นบัญญัติว่าหญิงมีสามีมากหลายได้เป็นความดีสังคมบางถิน่นว่าหญิงดีต้องมีสามีเดียวถ้าให้ดียิ่งขึ้นเวลาสามีตายต้องโดดเข้าเผา ต, ตัวตายตามสามีไปในกองไฟที่เผาศพสามีด้วย บางสังคมถือว่าเด็กต้องเคารพต่อผู้สูงอายุกว่าและต้องเชื่อฟังไม่โตเถียงมิฉะนั้นเป็นการไม่ดีอีกบางสังคมถือว่าการเคารพ ก, กันไม่เกี่ยวกับวัยและทุกคนควรถกเถียงหาเหตุผลกันดังนี้เป็นต้นคำที่ว่าความดีความชั่วเป็นเรื่องของมนุษย์และสังคมมนุษย์สมมุติบัญญัติกันขึ้นมาเองนี้ เป็นความจริงอยู่มากทีเดียวแต่ถึงแม้จะเป็นจริงอย่างนั้นก็ไม่มาเกี่ยวข้องในแง่ที่จะกระทบกระเทือนต่อกมนิยามแต่ประการใดเราก็ไม่น่าจะต้องเอามาสับสนกับเรื่องกมนิยามด้วยเรื่องความดีความชั่วที่เป็นบัญญัติของสังคมก็เป็นเรื่องของบัญญัติสังคมหรือสมมุตินิยามเรื่องความดีความชั่ว หรือว่าให้ถูกคือกุศลและอกุศลที่เป็นเรื่องของกรรมนิยามก็เป็นเรื่องของกรรมนิยามแม้ว่าทั้งสองอย่างนี้จะสัมพันธ์กันแต่ก็เป็นคนละเรื่องกันมีจุดตัดแยกระหว่างกันชัดเจนความสับสนเกิดจากการนำเอาความดีความชั่วของสมมุตินิยามไปปะปนกับความดีความชั่วคือกุศลและอกุศลของกรรมนิยาม ที่เป็นคนและแดนกันและไม่รู้จุดตัดแยกที่ถูกต้องเขาย้ำอีกครั้งว่าความดีความชั่วที่เป็นบัญญัติของสังคมก็เป็นเรื่องของสังคมอยู่ในขอบเขตของสมมุตินิยามอุสนิอุส ล, ลที่เป็นคุณสมบัติของกรรมก็เป็นเรื่องของกรรมอยู่ในกรรมนิยามเป็นเรื่องต่างหากกันแต่สัมพันธ์กัน สิ่งที่เป็นทั้งตัวการสร้างสัมพันธ์และเป็นทั้งจุดตัดแยกระหว่างกันของนิยามทั้งสองนี้ก็เช่นเดียวกับในกรณีระหว่างกรรมนิยามกับจิตนิยามคือได้แก่เจตนาหรือเจตจำนงนั่นเองเรื่องนี้เป็นอย่างไรขอให้ช่วยกันพิจารณาต่อไปสิ่งที่สังคมบัญญัติเมื่อมองจากแง่ของกรรมนิยาม อาจแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ 1. สิ่งที่บัญญัตินั้นไม่เกี่ยวกับกุศลและอกุศลในการนิยามโดยตรงแต่สังคมบัญญัติขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งของสังคมเองเช่นเพื่อให้คนทั้งหลายในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันด้วยดีมีความสงบสุขเป็นทํานองข้อตกลงหรือพันธสัญญาระหว่างกัน ในกรณีเช่นนี้สิ่งที่บัญญัตินั้นอาจเป็นเครื่องช่วยให้สังคมอยู่ดีมีความสุขได้จริงหรืออาจไม่จริงก็ได้อาจเป็นประโยชน์แก่สังคมจริงหรืออาจเป็นโทษก็ได้ทั้งนี้แล้วแต่ว่าจะได้บัญญัติกันขึ้นมาด้วยความรู้ความเข้าใจกว้างขวางรอบข้อเพียงพอหรือไม่หรือว่าคนที่ทำหน้าที่บัญญตัตมีความสุจริตใจหรือไม่เป็นต้น บัญญัติเช่นนี้มีมาในรูปต่างๆอาจเป็นขนบรรมเนียมประเพณีตลอดจนกฎหมายในกรณีอย่างนี้ดีหรือชั่วเป็นเรื่องของสมมุตินิยามอาจเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาและแตกต่างกันไปนาะนาประการแต่จะเปลี่ยนจะต่างไปอย่างไรก็ไม่ใช่เรื่องของกรรมนิยามต้องแยกไว้ต่างหากไม่ควรเอามาปนเปยสับสน และเมื่อใดคนใดฝ่าฝืนละเมิดบัญญัตินั้นสังคมจะลงโทษอย่างไรก็เป็นเรื่องของสมมตินิยามไม่ใช่เรื่องของกรรมนิยามให้แยกออกไปอย่างนี้เซสชั่นหนึ่งก่อนต่อจากนี้จึงพิจารณาในขั้นที่บัญญัติของสมมตินิยามนั้นก้าวเข้ามาเกี่ยวข้องกับขอบเขตของกรรมนิยามกล่าวคือเมื่อคนในสังคมยอมรับบัญญัตินั้นกันแล้ว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 ก็เป็นอันต้องมีเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งและมีผลต่อชีวิตจิตใจทุกทีไปเจตนานี่แหละคือจุดตั้งต้นของกรรมนิยามและเป็นเรื่องของกรรมนิยามสังคมหลายแห่งอาจพยายามสืบเอาเจตนานี้ไปประกอบการพิจารณาในการตัดสินลงโทษด้วยว่าเขาผู้นั้นทำการละเมิดด้วยเจตนาหรือไม่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 กรรมนิยามก็ได้เริ่มทำงานของมันตั้งแต่ขณะที่บุคคลนั้นเกิดมีเจตนาและใช้เจตนาทาการล่วงละเมิดเป็นต้นไปกล่าวคือกระบวนการก่อวิบากได้เริ่มดำเนินและบุคคลนั้นได้เริ่มได้รับผลของกรรมตั้งแต่บัดนั้นไปจะเห็นได้ว่าในความเป็นไปเช่นนี้ข้อที่บัญญัติของสังคมว่าดีหรือชั่วนั้นจะจริงหรือไม่ ก็เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาในแง่ของสมมตินิยามไปไม่เกี่ยวข้องกับกรรมนิยามโดยตรงจะโยงมาเข้ากับกรรมนิยามในขั้นของการพิจารณาเจตนาและปัญญาของผู้ทาบัญญัติแต่ในการรักษาและปฏิบัติตามบัญญัติกรรมนิยามเกี่ยวข้องเพียงการรับรู้และใจยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่งต่อข้อกาหนดตามที่สังคมบัญญัติไว และดำเนินจากจุดเริ่มที่จิตมีกิจ ก, กรรมต่อข้อกําหนดนั้นคือเริ่มจากเกิดเจตนาเป็นต้นไปเมื่อจัดเข้าในระบบชีวิตทางธรรมะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องในขั้นศีลและนี้เป็นจุดที่กฎเกณฑ์ของมนุษย์เข้ามาเกี่ยวพันกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติซึ่งจะต้องแยกขอบเขตกันให้ดี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 แต่เกิดจากเจตนาอันประกอบด้วยปัญญาของผู้ที่จะแก้ไขเพื่อประโยชน์สุขของมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นเนื้อหาที่จะเป็นไปในกรรมนิยามจึงไม่เหมือนกันสุดแต่คุณสมบัติของเจตนานั้นแต่มีข้อสัมทับว่าเจตนาที่กระทํานั้นจะเป็นอย่างไรก็ตามผู้กระทําย่อมรู้ตระหนักตามที่มันเป็น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 กลับถึงบ้านไม่พร้อมกันแต่ควรจะรับประทานอาหารเย็นพร้อมกันร้นจะรอกันยังไม่มีขอบเขตก็ไม่ได้จึงให้แต่ละคนต้องไม่รับประทานอาหารเย็นก่อนสิบก้านาฬกาบรรดาเขาทั้งสองคนนั้นคนหนึ่งชอบแมวไม่ชอบสุนัขอีกคนหนึ่งชอบสุนัขไม่ชอบแมวเพื่อความสงบสุขให้ถือว่าการนาสัตว์เลี้ยงใดๆเข้ามาในบ้าน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 มีขอบเขตที่แยกกันได้และมีความสัมพันธ์เนื่องถึงกันอันพึงเข้าใจได้โดยในยะนี้